พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ตดลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าได้เต่าเสียหมาได้งานเสียพระวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13า มีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบวันี้พระในวัดของเราสามสิบหกรูปนะคณะสัายาติโยงแต่ลงมาชันยี่สิบเจ็ดองแล้วก็วันนี้เป็นวันแรมค่ำหนึ่งเดือนสี่แล้วก็ขอบอกให้พระสงฆ์ทั้งหลายที่จําพรรษาที่นาคาน้อยคือตามปกติ อันนิสงอันนิสงจาพรรษาเนี่ยถึงเดือนส2บสองเ่นอันนิสงแต่รับกฐินมาถึงเดือนสี่เพนนุนมหมดจบเมืม่อวานเนี่ยนะคว่าอันนิสงคำนี้เนะี่ยไม่ใช่ว่าเป็นบุญกุศลเข้าสู่ลึกๆคล้ายๆว่าเป็นผลตอบแทนเหมือนกับเราทำงานแล้วก็ได้เงินเดือนลักษณะอย่างนั้นแหละอันนิสงคำนี้ครับ ว่าสิ่งที่ตอบแทนของพระสงฆ์คือพระสงฆ์จำพรรษาแล้วก็วได้รับกระถินเอเน้สงฆ์เคยเคยิดว่าพระบินัยย่อหย่อนในพระบินัยได้ฉันปรามพระโพชนะแล้วก็รับเขาระ บ, บุชื่อ อาหารแล้วก็ไปฉันร่วมกันได้ไม่เป็นอาบัติลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วก็ออกไปโดยที่ไม่บอกลาไม่เป็นอาบัติอย่างนั้นแหละแล้วก็ภิกษุลืมผ้าจีวอผืนใดพืนหนึ่งผ้าตรไม่ปับอาบัติพอลืมแต่ถ้าว่าไม่ได้รับอนิสงส์ลืมไม่ได้ปับอาบัติ สรุปแล้วก็คือมีข้อเดียวที่พระพระกรรมฐานเนี่ยพวกเรานะพูดง่ายมีความจําเป็นจะต้องได้รับอานิสงส์ก็คือบางทีก็หลงลืมผ้าจีวรของตนเองแล้วก็ได้แสดงอาบัติพอลืมผ้าจีวรไปที่สาลาพอกลับไปถึงตายปัสวรรค์ขึ้นมาหาผ้าจีวรตัวเองไม่ได้ ลืมผ้าจีวรผ้าไตรของตนเองไว้ที่ศาลาเออ น, นิสงก์กฐินนคุ้มครองอยู่ไม่เสียสละก็ได้ไม่แสดงอาบัตก็ได้เนี่ยอันนี้ก็คือที่ได้รับอ น, นิสง์นะแต่ถ้าตั้งแต่บัดนี้วันนี้เป็นต้นไปถ้าเราลืมเราก็ต้องเสียสละละเอาผ้ามาวางไว้ต่อหน้าแล้วก็แสดงอาบัตบอกว่าผ้าจีวรผืนนี้ผมลืม ผมมอบให้ท่านนะเพราะผมลืมผมมอบให้ท่านแต่องค์นั้นก็ได้รับแล้วก็เป็นมารยาทเออครับผมรับแล้วนะแต่ผมสงคืนให้ท่านะเยให้ท่านสารวมระวังต่อไปจะท่านจะทําลืมอีกนะะ น, นี่นแหละอันนี้คือภวินัยของพระพุทธเจ้าจากนั้นองค์นั้นก็รับไปแล้วก็พิณทุอธิษฐานใหม่เมื่อได้ไปแล้วต้องพิณทุอธิษฐานใหม่อีกเนี่ยสรุปแล้วก็คือ แต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวิัยในจุดนี้เพราะว่าพระภิกษุเหลิงเจิง้งคล้ายๆเขาว่าเสื่อเพอมักง่ายพอได้ผ้าจีวรมาแล้วก็ทั้งหลงหลงลืมลืมบางทีก็หลงลืมไปหลายวันฝนตกถูกว่าปวดปวกกัดบ้างหนูกัดบ้างเสียหา ย, ยพอผ้าขาดมาแล้วก็ไปหาญาติโยมผ้าอาตมาขาด ชำรดญาติโยมก็กหารวบรวมกันพ้าสมัยนั้นหายากอีกต่างหากเขาก็ถวายพระพอพระไปก็ไม่รักษาอีกทิ้งทิ้ ง, งขวางขางอีกศรัทธาญาติโยมก็ก็เอื่อมละอาทีพระที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดูดูด ม, อมองมองตายแต่าทาอย่างนี้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งวีทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนน่ะ ก็เด้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประชุมสงเรียกประชุมสง์พร้อมหน้ากันบัญญัติวินัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามปราชจากไตรจีบอลพื้นใดพื้นหนึ่งแม่คืนแรกต้องนิจคียปาจิติีของนเป็นนิจคีภิกษุผู้หลงลืมไม่ใส่ใจเป็นปาจิตตีเป็นอบัตศินขาดไปข้อหนึ่ง ในสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อนั้นตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมากันเลยพอจวนสว่างตีสามตีสี่พาจีวนต้องดูพาจีวรพาดอะไรอยู่ในอยู่ในอ้อมแขนเราไหมอยู่ใกล้เราไหมต้องมองดูแลพอเสร็จแล้วก็ดูแลก็เออเอาอยู่พอสวอพอสว่างแล้วก็ยังค่อยถ้าจะไปที่ไหนในยังไม่สว่างก็ต้องตะพายไปอุ้มไป เหมือนกับอุ่มไก่ต่อลักษณะยอย่างนั้นแหละเอไปที่ไหนต้องถ้าปัดกวาดก็ต้องแขวนไว้หน้าอกแล้วแขวนไว้ที่หลังนะ่ะใส่เป้ไว้ที่หลังแล้วแบบมัดเอวเอาไวนะ้เป็นผ้าตรายไปทิ้งไว้ห่างตัวเองไม่ได้ถ้าห่างเข้าไปเป็นอบัตเพราะขาดการดูแรลรักษาเนะนี่ยแหละอันนี้แหละคือความเป็นมาของพินัยณ์สถาญาติโยมลูกหลาน ถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานก็คงจะนั่นอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยคือกฎระเบียบให้พระสงฆ์ปฏิบัตินี่แหละอันในสงส์จุดนี้แหละเมื่อสิ้นสุดเมื่อวานนี้ภิกษุอยู่ปราชจะจากตรจีวรในเมื่อวันมันยังไม่ถึงเดือนสี่เ่นก็อันในสงส์ธนกคุ้มครอง แต่วันนี้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปให้ระวังและทีีวใครอย่าลืมผ้าจีวรถ้าขืนลืมไปก็เป็นอบัตเป็นนิจเขียรปาจิตตีแล้วก็หลวงพ่อเองจะประกาศเมื่อลงพ่อขึ้นมาเมื่อวานวันก่อนขึ้นมาวันที่สิบเอ็ดนะเมื่อวานวันที่สิบสองอวันที่สิบันประมาณวันที่สิบหลวงพ่อลงไป โอกระที่เป็นจออาวาตจากสาขาได้มาช่วยงานเกี่ยวกับทาสะพานแล้วก็ทากำแพงแล้วก็ทาถนนแล้วก็ทาคอสะพานกำลังเริ่มจะขาดมันเบะ่าเสร็จไปเมื่อวันวา น, น, น, น, นมาก่อนแต่ว่าค่าใช้จ่าย ก็ยังไม่ได้รายงานมาก็คงจะอีกไม่นานคงจะยืน่นว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีเท่าไหร่หลวงพ่อขขาคงจะได้รวบรวมจุตุปจัจขาดตัวไหนที่ขาดเหลือขาดตกคงจะได้ใช้ไปแต่ก็ไม่ได้หนักหนาก็พามันเราใช้มาเป็นระยะระยะอยู่แล้วอันนี้เป็นงวดสุดท้ายแล้วท่าน แต่ก็พร้อมกันหลวงพ่อเองตั้งแต่น้ําท่วมตั้งแต่วันที่8ดเดือนพฤศจิกาจนถึงวันที่เก้าพฤศจิกาน้ําท่วมเสียหายได้ประกาศไปหลายระลอกแต่ทฎาญาติโยมผู้ที่รู้จักมักคุ้นัชฎาญาิโยมของหลวงพ่อที่ไปมาหาสู่มาสูวัดของหลวงพ่อได้มาพัก พาอาศัยที่วัดหลวงพ่อก็มากมายเพราะวัดสร้างมาถึงสาสิบกว่าปีฮะใ ค, ใครมาเห็นเออวัดหลวงพ่อเกิดอุท ธ, ธกภยัยจยแล้วภัยน้ำท่วมเสียหายต่างคนก็ต่างมีจิตใจที่เป็นกุศลก็สงจะตุกจะตุปใจแต่หลวงพ่อเขาไม่ได้บอกอกเลขบัญชีกรเสียต้อมเน่ะโทรมาเขาก็เสียต้อมแล้วก็นศ่ศรัทธาญาติโยมพวกลูกรู้จัก เขาก็บอกกันมาเขาก็โอนเข้าบัญชีบัญชียาวเหมือนหางว่าวเลยทีนี้คนร้อยบาทมีห้าสิบาทมีพันบาทมี1มื0นบาทมีตามแต่ศรัทธาโอนเข้ามาเนี่ยแหละหลวงพ่อเห็นแล้วก็เป็นน้ำใจของศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าของวัดเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าอาวาส ที่วัดป่านาคาน้อยแห่งนี้หลวงพ่อเห็นน้ําใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็อืขอขอบคุณขออนุมโมทนาจากน้ําใจพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเน่ยหลวงพ่อขอขอขอข อ, ขอบก ข, ขอบใจเนอะพี่น้องลูกหลานทุกคนใ ห, ให้ได้บุญได้กุศลอทวนหน้ากันบุญกุศลที่ได้ช่วยบุรณะ วัดวายศาสานาที่อุตรกระเพอยคือน้ําท่วมในคราวนี้คราวครั้งนี้ก็เสียหายมากพอสมควรแต่ที่ค่าใช้จ่ายดูดูเหมือนจะไม่มากเพราะเหตุไดเพราะเราได้ใช้จ่ายแต่ค่าวัดสดุเหล็กหินปูนสายแล้วก็ของบางส่วนก็มีคนเข้ามาช่วยอย่างรถสิบล้ออย่างนี้รถม็คโครอย่างนี้รถตักอย่างนี้ มีคนเข้ามาช่วยก็ทุนแรงไปเยอะแยะไปเรามีแต่จ่ายค่าน้ำมันให้เขาส่วนค่าแรงงานก็มีพระที่เป็นที่ออกจากวัดหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสไปอยู่วัดอื่นก็ย้อนกลับมามาช่วยงานแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวบ้านเป็นลูกมือตัวนี้ทุนทุนแรงได้มากได้ใช้จ่ายแต่เฉพาะ สิ่งที่เราผลิตไม่เป็นเหล็กหินปูนทรายทางค่าแรงนี่นก็ก็ต่างคนก็ต่างช่วยกันเพราะเป็นวัดวาศาสนามันไม่ใช่ของหลวงพ่อมันเป็นของทุกคนที่เราจริงจิงไหนที่เราทำไม่ได้ก็เออซื้อสิ่งนั้นม า, าในเมื่อซ่อมเสร็จแล้วโสมเสร็จแล้วบ้านจบแล้วเรื่องวัดของเราเรื่อง ที่น้ําท่วมเสียหายนั่นแปลว่าเหมือนเก่าล่เาะเพอเพอดีกว่าเก่าอีกเพราะเราทําให้แข็งแรงขึ้นเพื่อจะสู้กับน้ําในครั้งต่อไปแต่มันจะสู้ได้มากน้อยแค่ไหนยังคอยดูก็แล้วกันท่นี้แต่ข่าวมาทเมื่อ ท, ทําทีแรกก็กมาสู้ขนาดหนึ่งพอมันพังครั้งที่สองก็สู้อีกพอมันมาครั้งที่สามเดี๋ยวแปลว่าแปลว่าทําให้แข็งแรง หลวงพ่อไปเห็นแล้วก็อืมจุใจแข็งแรงพระลูกพระหลานน้องหนุง่งทั้งหลายศรัทธายาโยมได้ทําอแข็งแรงหลวงพ่อก็มั่นใจแล้วก็ตรงที่มันน้ําเคยกัดเอาเป็นเว้นช่องให้มันกัดปล่อยปล่อยช่องให้มันไปไม่ต้องปิดไปกั้นมันจุดนี่ทําให้เป็นท้องช้างไปเลยให้มันมุดให้มันมุดขาช้างไปเลยเรียกว่าบ็อกคอนเวิร์ตเป็น เป็นสพนนะพานว่าบอกคอนเวิร์ตภาษาภาษาช่างเข้าเขานะคล้ายๆเข า, าให้เป็นสะพานอยู่ข้างบนน้ำหลอดได้แล้วก็ไม่มีเสา อ, อีกต่างหากคล้าใช้จ่ายก็ต้องแพงหน่อยเพราะมันคานใหญ่ น, นี่แหละสรุปแล้วก็คือเสร็จแล้วงานที่ซ่อมวัดของหลวงพ่อนะแล้วก็พร้อมกันก่อนจะตุบใจจากพี่น้องประชาชนจากจักรตุรเทศ ที่มาเสียสละกนละมากคนละน้อยที่โอนเข้ามาหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นประธานขอขอบคุณขออนุมโมันาและก็ขอให้พวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆทุกคูทกทก่ทุกคนเน่าลูกหลานเนา่า ออันนี้ก็คือหอลวงพ่ออนุโมทนาให้พรนะแต่ว่าต่อไปหลวงพ่อก็บอกพระเมื่อวานเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วคล้ายๆกับพวกเราออกไปสู้ศึกสู้ศึกคล้ายๆว่าปล่อยกายคลายๆทำงานทั้งปีทั้งวันหลวงพ่อไปเห็นขนาดตากแดดเปรี้ยงพวกกูบาทั้งหลายยังตากแต่ทําเอาภาพ พกหัวแล้วก็มัดเหล็กเทปูนอะไรต่อไม่อะไรหลวงพ่อไปเห็นแล้วโอ้น้ำใจของพวกพระครูบาทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนี่แหละคือออกไปสู้งานสู้ศึกแต่บัดนี้สู้ศึกชนะแล้วจบแล้วเกมแล้วเรื่องงานหลวงพ่อเองก็อยากจะให้พวกเราพระทั้งหลายหันกลับเข้ามา สู่ศีลธรรมอะไรสู่สมาธิปัญญา mm hmm. คือเขาบอกเข้ามหาที่มั่นปรับปรุงกายวาจาใจของตอนเองแต่ในช่วงนั้นเหมือนกับเราใช้อย่างสเติ๊กเรายืดออกไปเรายืดอย่างสเติ๊กออกไปแต่ตอนนี้เมื่อยืดแล้วออกไปใช้แล้วกลับเข้ามาอย่าไปหลงละเริงไปทางอื่นนะถ้าหลงไปละเลิงไปทางอื่น แปลว่าเสียหาย เ, เสียหายอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่าได้เต่าเสียหมาได้งานแต่เสียพลาแต่เสียตัวเอง เ, อเสียตัวเองเสียยังไงกันนั่นละ่ะบางองค์ก็เนพอทำงานมากๆเข้าไปกันจิตใจทะเลไหลออกไปข้างนอกอไปเป็นโลกศิกหาลาเพศไป ลาสีขาไปเพราะอะไรเพราะการงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาภาวนาสงบจิตสงบใจอันนั้นแปลว่าได้งานแต่เสียพระ เ, เสียความรู้สึกแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทํางานก็จิตใจก็อยู่กับตัว เ, เป็นหลักเป็นก ฎ, เ ป, นกฎเป็นเกณฑ์ได้แต่พอได้ทําการทํางานเข้าไปแล้วจิตใจมันแตกมันมันมุ่งไปข้างนอกมาก อันนี้พอเสียหายนี่แหละหลวงตามหาปัวเคยพูดนะสมัยหลวงพ่อยังอยู่กับท่านหลวงพ่อบอกหลงตาท่านบอกว่านะเราไม่อยากจะสร้างโบสถ์วิหารสร้างถาวรวัตถุใหญ่ๆห่เราจะจะให้พระสร้างพระสร้างหัวใจของพระถ้าว่าเราไปสร้างสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆเข้าไปพระเข้าไปคุกคีไปมั่วสมพกรีตีมงกับ วัสดุ ก, กอ่อสร้างนั้นพอกอ่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกระดูกพระที่ไปกอ่อสร้างนั้นนะไปฝังไว้บนฐานพระเจดีย์ฐานโบสถ์ฐานวิหารทนะ่นานะว่านะให้บอกฝังกระดูกพระที่ไปสร้างไว้ไว้ในฐานโบสถ์ฐานวิหารนะแต่ท่านพูดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพระตายจริงๆนะคล้ายๆกับว่าพอสร้างเสร็จแล้วพระจิตสงจิตใจออกไปข้างนอก มีแต่เรื่องโลกเฮ้เวลาก่อสร้างอ่ะมีเอมีหญิงมีชายเอมาเกี่ยวพันเอมาเป็นพนักงานอ่ผลที่สุดเนี่ยพระที่มันมีกิเลสอยู่แล้วเข้าไปอยู่จุดนั้นเอ่การคบค้าสมาคมสายหูสายตากิเลสมันวิ่งไปหากันเอ่กิเลสไฟ ตรงข้ามก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันฝ่ายภาคก็ไม่ใช่ย่อยมันกักขังไว้หัวในจุดเนะ่ยตายตายออกจากเพศจมณะพอตายเสร็จแล้วะกระดูกไปฝังไว้ในฐานพระเจดีย์ฝังคุณงามความดีเอาไว้อตัวเองกนะันสิขาลาเพศไปคิดว่าจะมีความสุขที่แท้นะเข้าไปหากงจากเป็นดอกบัวเสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเหล่านั้น ที่องค์หลวงตาที่ท่านเป็นห่วงพระในในการดำเนินการก่อสร้างเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นอุทาหรณ์เราไม่ได้เยียบย่ำทำลายไม่ได้พูดกับผูใ้ใดใครผู้หนึ่งเพียงแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ดูฟังดูจริงไหมที่พูดให้ฟังมันจริงไหมถ้ามันไม่จริงองค์ไหนจริงมันก็เป็นจำจริงที่ไม่จริงสักองค์ เปไปกับเป็นว่าดีเลิศนะถ้ามันทะเลทรายเสียหายอย่างนั้นไปว่าท่านพูดไว้แล้วนะไม่ผิดนะเสียงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล่ะอยากจะให้พวกเราทุกทุกท่านอย่าไปมุ่งหวังมุ่งมั่นไปทางโลกจนเกินไปให้ทั้งอกตั้งใจภาวนาประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาตามแนวแถว อริยะประเพณีคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยแนะนำสั่งสอนอย่างไรให้พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจหาทางภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วเมื่อจิตใจสงบแล้วก็นนะเดินทางวิปัสสนาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเกิดแก่เจ็บตายชีวิตทั้งชีวิตของเราเราจะยืนนานไปสักเท่าไร่มองดู มองดูเรามองดูเขามองดูปัจจุบันมองดูอดีตมองดูอนาคตเปรียบเทียบจากนั้นก่อนนะเราจะวางตัวอย่างไรสำหรับตัวของเราเราจะบำเพ็ญอย่างไรเราจะภาวนาอย่างไรเราจะหาทางพ้นทุกอย่างไรความทุกข์ที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าอดีตไม่ว่าปัจจุบันไม่ว่าอนาคต ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรตัวไหนคือแท้จริง เ, เปรียบเทียบดูสิได้เงินมากๆเป็นความสุขใช่ไหมออพอได้มาแล้วก็กลัวเขาจะแยง่งแก่งจะแยง่งกลัวเขาจะเบียดจะบังกลัวเขาจะหาเรื่องเราใส่เป็นทุกข์ในจิตใจลึกๆอีกเหมือนกันมีอะไรเกิดขึ้น มีสามีมีภรรยามีลูกขึ้นมากลัวลูกไม่ออกไม่อยู่ในกรอบนนกรอบอทำนองทรองทำกับปิด ท, ทุกข์กับลูกกับหลานอีกอมันล้วนแต่หละมันอันไหนคือสุขถิ่ถ้ามันได้ความสุขใส่ฉุกที่แท้จริงสุกได้น้อยนึ่สมความมุ่งมาดปรารถนาแต่ความทุกข์น่ะมันรอคอยเราอยู่ ่ความทุกข์ที่มันรอรอคอยเราอยู่อแต่บางทีมันก็สุขแต่บางทีมันก็หัวทิ่มบ่เหมือนกันนะเสียคู่เสียคนเสีย อ, อกเสียใจอแต่พูดอะไรไม่ออกในจิตในใจมันมีแต่มากมายสรุปแล้วก็คือความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษย์ชาติคืออะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ถามมาแล้วในในครั้งพุทธการ ความสุขที่แท้จริงคืออะไรให้พวกเราถามถามดูนะและเปรียบเทียบดูเพราะนั้นทาว่าเราไม่คิดเราก็อยู่ไปเป็นวันเดือนปีพันผ่านไปสุขบางทุกบ้างทุกบางสุขบางสุขบางทุกบ้างรับไปพะโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ก็เลยไม่คิดหาทางออกให้กับตนเองพระพุทธเจ้าท่านคิดทางออกของท่านนะ จากนั้นเขท่านก็สอนภาษาวกทั้งหลายให้หาทางออกเนอะมันมีทางออกอยู่แต่พวกเรามันไม่ไม่หาทางออกเลยเออเหมือนกับมดแดงกัดเราพอ ก, กัดแล้วก็เดินไปหน่อยนึงมันก็ไปกัดอีกก็เดินไปหน่อยอีกกัดอีกอยู่งั้นะมันไม่วิ่งกระโดดหนีห่างๆฮะรัพรในเสน่หนะพระทรงอนุโมทนาให้พรรับพร